ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลปลูกป่าเพราะว่าฝนฟ้าเอื้อมนวยการปลูกป่าถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งไม่ว่าจะปลูกป่าที่ไหนนะไม่จะเป็นต้องปลูกป่าที่วัดนะก็เป็นการทาบุญอันนี้พระเจ้าก็ตรัสไว้ว่าผู้ใดสร้างสวนปลูกป่า บุญของผู้ น, นั้นย่อมเจริญอยู่ทุกเมื่อเช่อวันที่ว่าเป็นบุญเพเพราะว่ามันมีอ น, นิสงส์หรือผลดีอย่างน้อยสองแง่ก็คือเป็นผลดีต่อส่วนรวมเมื่อปลูกป่าก็ทำให้น้ำเท่าดวงสมบูรณ์ทาให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยนะ รวมทั้งสัตว์ใหญ่ก็มีที่พึ่งพาอาศัยเรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งคนแล้วก็สิงสาราศัตว์ประโยชน์ส่วนนเป็นประโยชน์จิตต่อจิตใจของผู้ที่ได้ลงมือปลูกป่าเช่นเป็นการช่วยลดความเหงก่ตัวบ่มเพาะ คุณธรรมที่นึกถึงผู้อื่นเพราะว่าปลูกป่าอย่างนี้เนี่ยคนปลูกไม่ได้อะไรนะไม่เหมือนไปนปลูกที่บ้านไม่เหมือนกับปลูกทำสวนปลูกในที่ที่เป็นสาธารณะนี่ตัวเองไม่ได้อะไรกลับจะเหนื่อยเสียด้ซ้ำแต่ว่าที่ทำเพราะว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมอันนี้ก็ช่วยลดความเป็น ต, ตัว แล้วก็ถ้าหากว่าวางใจได้ถูกต้องก็อาจจะเป็นการเพิ่มเมตตากรุณาให้งอกงามขึ้นในใจด้วยอย่างเช่นคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะปลูกป่าบางแห่งเขาก็มีคาถานะคาถาสำหรับปลูกต้นไม้อย่างเช่นคนเมืองเพชรนี่เขาก็จะมีคาถาสำหรับลงดินนะ พุทธังพลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นทานทำมังพลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นทานสังฆังพลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นทานนี่ขาอา้ออธิษฐานแบบนี้นะแล้วก็ค่อยอย่อนต้นไม้ลงไปคนที่เขาสั้งจิตอธิษฐานแบบนี้นี่เขาไม่ได้หวังประโยชน์ เข้าตัวเลยนะน่าจะเป็นการปลูกในที่นาของเขาปลูกในเลือกสวนไรนาของเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้นึกถึงตัวเองเขานึกถึงนกนะนึกถึงสัตว์ว่าถ้ามาเกาะถ้ามาใช้สอยนะเขาก็ไม่หวงเขาถือว่าเป็นการทำบุญควรจะมาเด็ดมาสอยกิน เขาก็ไม่หวงถือว่าให้ทานแล้วเมื่อพิจารณาแบบนี้เนี่ยจิตใจก็มีเมตตากรุณาหรือว่าเวลาปลูกก็ปลูกอย่างมีสติก็ได้การปลูกจะมีสติก็คือใจอยู่กับต้นไม้ที่กำลังปลูกกำลังหย่อนลงดิ น, นไม่ได้คิดนึกเรื่องอื่นไม่ใช่ว่ามือ ก็ปลูกแต่ใจไม่รู้ไปไหนอันนี้เราไม่มีสตินะแต่ถ้าเกิดว่ า, าผู้ปลูกเนี่ยนะมีสติอนการปลูกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสติในใจของผู้นั้นก็จเจริญงอกงามนะนั่นแสดงได้ว่าการการปลูกต้นไม้เนี่ยมันสามารถจะเป็นการปฏิบัติธรรมได้และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่เพียงแต่ต้นไม้ ในมือนะจะเจริญงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่แต่ว่าต้นไม้ในใจก็จะงอกงามด้วยต้นไม้ในใจก็หมายถึงว่าคุณธรรมภายในใจเช่นความเสียสละนะความมีเมตตากรุณาหรือวสติเรียกว่าทาอย่างเดียวได้ผลสองอย่างนะ ผลต่อส่วนรวมแล้วก็ผลต่อตอนเองอันนี้มันเป็นเป็นวิธีการ เ, าเรียกว่าก่อประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมทำอย่างเดียวแต่ได้ผลสองอย่า ง, างเรียกว่า t o in one จริงๆไม่ใช่เฉพาะปลูกต้นไม้อย่างเดียวนะเวลาเราทำอะไรก็ตาม แคเราอาบน้ำเราล้างหน้าเราแปลงฟันถ้าเราทำอย่างมีสติมันไม่เพียงแต่ร่างกายเราเท่านั้นที่สะอาดนะไม่เพียงแต่ช่องปากของเราเท่านั้นที่สะอาดแต่ใจเราก็จะสะอาดไปด้วยสดใสนะีถ้าเราถูฟันไปอาบน้าไปเราคิดถึงงานนะเราคิดถึงคนลูกหรือว่าพ่อแม่นะี ที่กำลังเจ็บกำลังป่วยนะหรือว่าคิดถึงการประชุมที่เราต้องไปเข้าร่วมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปเสนอใจแล้วก็เศร้าหมองใจแล้วก็ววกังวลหน้าสะอาดก็จริงแต่ว่าใจหมองในทางตรงข้ามถ้ากับว่าเราทำอย่างมีสตินะ ใจเราอยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำนะไม่ได้เผลอภัยออกไปนอกตัวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใจก็สะอาดด้วยใจก็สดใสด้วยอันนี้เรียกว่าทำหนึ่งได้สองหรือว่า t o in one กินข้าวก็เหมือนกันกินข้าวถ้าเรากินได้เป็นไม่มีสติมันก็ได้แต่อาหารที่ไปหล่อเลี้ยงายเท่านั้น บางทีถ้าเกิดว่าคิดเรื่องงานเรื่องการคิดถึงคนรักที่เพิ่งทะเลาะกันคิดถึงแม่ที่ต่อว่าเราว่าไม่ไปเยี่ยมบ้านเลยเราก็เครียดอาหารก็ไม่ค่อยย่อยก็กลายเป็นว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารนั้นก็ไม่ได้เท่าที่ควร บางทีเป็นโรคกระเพาะเพราะว่าใจนี่เครียดขณะที่กินอาหารนึกถึงแต่เรื่องงานเรื่องการแมกระทางร่างกายก็ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่จากอาหารแต่เรากินอาหารนี่มีสติใจอยู่กับการกินไม่ปล่อยใจให้เผลอลอยออกไปเรื่องงานเรื่องการหรือนึกถึงคนที่เรารักที่กําลังเป็นห่วง ใจเราก็เป็นปกตินะพอใจได้เป็นปกติไม่เครียดอาหารก็ย่อยได้ดีประโยชน์เกิดขึ้นกับร่างกายส่วนใจก็มีสติเจริญงอกงามนะเรียกว่ากินข้าวอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ผลดีส่วนสติก็ไปหล่อเลี้ยงใจได้ทั้งอาหารกายได้ทั้งอาหารใจ เน่ใจได้ว่าทาแลไรก็ตามเนี่ยแม้กระทั่งการทำกิจวัตรประจำวันที่เป็นที่มันแสนจะธรรมดาธรรมดามันก็กลายเป็นการปฏิบัติธรรมได้แล้วก็มันสามารถจะเกิดประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมเวลาเราหายใจถ้าเราเรามีสติอยู่การหายใจดูบ้างไม่เพียงแต่ออกซิเจนจะไปเลี้ยงร่างกายเราเท่านั้นแต่ว่า อย่างได้ความสงบไปหล่อเลี้ยงใจด้วยเวลาเราเครียดเครียดหรือว่ากำลังรุ่มร้อนลองเอาใจมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักห้าครั้งหรือสิบครั้งดูเราจะรู้สึกเลยว่าความเครียดมันคลายลงความเร่าร้อนมันหายไปเกิดความเย็นใจมาแทนที่ การลมหายใจเนี่ยมันสามารถจะทำสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันก็คือว่าหล่อเลี้ยงร่างกายของเราหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายให้ให้เป็นปกติทำงานได้ด้วยดีและขณะเดียวกันมันก็นำความสงบไปหล่อเลี้ยงใจและทาอย่างเดียวได้สองนะเพราะว่าเราทาอย่างมีสติ ทำงานก็เหมือนกันทำงานแล้วก็ถ้าเราทำงานามีสติก็ได้ทั้งงานเราก็ได้ทั้งธรรมะนะซึ่งจยช่วยทำให้เราไม่เครียดบางคนทำงานด้วยความเครียดงานออกมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าถึงแม้จะออกงานออกมาดีแต่ว่าคนที่ทำไม่มีความสุข เรียกว่างานได้ผลแต่คนไม่เป็นสุขแต่ถ้าเราทำงานอีมีสติใจอยู่กับงานที่ทำไม่ไปห่วงว่ามันจะเสร็จเมื่อไรนะแต่เราทำเต็มที่นะไม่ใช่ทำแบบเฉยแ ช, ช่ถ้าทำงานอีมีสติแล้วมันไม่ปล่อยใจเฉยแชงออกเพียงแต่ว่าใจไม่ไปกังวลว่าผลจะสำเร็จเมื่อไหรนะ่เสร็จแล้วคนเขาจะพูดถึงเราอย่างไรเจ้านายเขาจะว่าหรือก็าจะชมเราอย่างไร เนะี่ยอันนี้เราวางเอาไว้เราก็จะไม่เครียดกับการทำงานนะแล้วก็สามารถจะทำงานในมีสมาธิงานก็สาเร็จได้ ด, ดีอันนี้เรา ว, วางานได้ผลคนก็เป็นสุขเอ่นแะต่ว่าเรื่องการการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทำได้ในทุกเวลาทุกสถานทีนะ่ไม่ต้องมาเข้าวัดก็ได้นะ อยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านจะล้างถ้วยล้างชามก็ล้างอย่างมีสติทำครัวก็ทำายีางมีสติเวลาอยู่กับลูกใจก็อยู่กับลูกไม่ใช่นึกถึงงานนะเวลาทำงานใจก็อยู่กังานไม่ต้องนึกถึงลูกนะมันจะเราจะรู้สึกว่ามันเบาลงนะทำงานก็ได้ผลดีเวลาอยู่กับคนรักคนที่เราดูแลใจใสก็เกิดความราบรื่นเป็นปกติ สติเนี่ยมันมีอ น, นิสงส์มากนะที่เรากําลังกําลังทําอยู่ขณะนี้เนี่ยมันเป็นการปลูกสติที่แรกเราต้องรักษาสตินะบางทีการมองก็ต้องมองอย่างสํารวมหรือว่าการพูดการคุยก็ต้องคุยอย่างสํารวมเพื่อจะรักษาสติเอาไว้ไม่ให้กระเจิงนะใหม่ๆเนี่ยเราต้องรักษาสติ เวลาอยู่เฉยๆเราก็ต้องเคลื่อนไหวไปด้วยนะแม้กระทั่งเวลาจะอยู่ห้องน้ำก็อาจจะคลึงนิ้วไปอยู่ห้องน้ำระหว่างที่ถ่ายหนักก็คลึงนิ้วไปหรือว่ารับรู้ลมหายใจเข้าออกเกือน้ำลายกระพริบตาก็รู้อันนี้เป็นการทำเพื่อรักษาสติแต่ต่อไปเมื่อสติจเจริญงอกงามนะสติก็จะรักษาเราเวลาเกิดวิกฤตนะ ขับรถแล้วเกิดมีคนวิ่งตัดหน้าหรือว่าเกิดล้อล้อแตกนะแทนที่เราจะเหยียบเบรกทันทีเราก็มีสติรู้ว่าทำอย่างนั้นไม่ได้สติมันมาช่วยเตือนเราเพื่อที่เราจะไดะ้รับมือกับเหตุปัจจุบันทันด่วนได้อย่างปลอดภัยนะ เวลาเจ็บเวลาป่วยแทนที่จะตื่นตกใจนะรู้ข่าวร้ายว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งที่จริงก็อาจจะแค่ระยะที่หนึ่งระยะต้นนะแต่ตกใจกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้ามีสเตปปุ๊บอ่มันช่วยทำให้เรารับมือกับข่าวร้ายได้ อาจจะเบลอสักพักเสร็จแล้วก็ตั้งตัวได้นะอยู่กับปัจจุบันก็มาใคร่ควรว่าเออแล้วเราจะทํำยังไงดีแทนที่จะเสียศูนย์หมดสภาพไปกับข่าวร้ายที่ได้ยินอันนี้สติมันช่วยรักษาเราใจใหม่ๆเราก็ต้องรักษาสติก่อนก็เหมือนกับต้นไม้นะเราปลูกต้นไม้เนี่ยใหม่ๆต้นยังเล็กเป็นต้นกล้าเราก็ต้องคอยดูแลนะ คอยลดน้ำพลนดินหรือว่าคอยอกันแดดกันลมให้เขาบางทีก็ต้องกันสัตว์ด้วยนะกันไก่มาจิกแต่ต่อไต่อไปพอต้นไม้โตต้นไม้ก็จะรักษาเรานะพอต้นไม้ใหญ่นี่ก็อาจจะให้ร่มเงากับเราคอยป้องกัน ลมพายุเราปลูกต้นไม้กันลมพายุได้เราปลูกต้นไม้กันแดดกันฝนได้ต้นไม้รักษาเราต่อไปก็ไม่ต้องลดน้ำพลนดินละเพราะว่าต้นไม้เขารู้วิธีเอาตัวรอดได้สติก็เหมือนกันนะสติเนี่ยพอเราเจริญสติจนกระทั่งเขาแข้าคล่องว่องไวนี่เขาเขาจะเตือนเราเอง เราเผลอไปเราลืมตัวไปนะเราก็รู้ทันขึ้นมาทันทีที่รู้ทันเพราะสติเตือนสติบอกมันก็เป็นสัญญาณมันก็เป็นสัญญาณการขโมยสัญญาณกันไฟสัญญาณที่มันไวนะสัญญาณกันไฟเนี่ยเพียงแค่ควันบางๆเจอจางๆเนี่ยมันก็เตือนแล้วนะว่ากำลังมีอันตราย ถ้าสติเราดีเนี่ยเพียงแค่มีความหงุดหงิดหรือว่าจิตกระเพื่อมขึ้นมาในเพียงเล็กน้อยเราก็รู้ทันนะพอสติมาบอกนะจิตกระเพื่อมหรือว่าจิตคลาดเคลื่อนจากความปกตินะเพียงแค่เล็กน้อยสติก็บอกก็ทาให้เรารู้ทันว่าใจกำลังเผลอใจกาลังลอยหรือว่ากาลังไปยึดติด ถ, ถือมั่นกับสิ่งที่มากระทบมันก็วาง แต่ที่เรายังทุกอยู่นะยังอมทุกอยู่จมอยู่ในความทุกนานสองนานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นวันวันอันนี้เพราะไม่รู้ตัวนะสติมันช้ายังยังไม่ทำงานเท่าที่ควรแต่ถ้าเราสร้างสติขึ้นมาไวๆสร้างอยู่บ่อยๆสร้างบนะ่อยๆนะพยายามสำรวมกายวาจาใจเอาไว นะไม่ไม่พาตัวไปเจอสิ่งยั่วยุหรือว่ายั่วยวนที่จะทำให้สติมันแตกกระเจิงนะเช่นการพูดคุยก็พูดคุยให้น้อยนะแล้วก็โทรศัพท์ก็ไม่โทรศัพท์ถึงใครนะเพราะว่าเกิดโทรศัพท์ไปแล้วมีคุยกับคนแล้วนี่เกิดเกิดสติอ่ากระเจิงก็มีบางทีฟังข่าวสาร นะก็ทำให้จิตใจกังวลสติก็เลยโดนความคิดโดนอารมณ์เล่นงานเหมือนต่นักมวยที่ยังอ่อนถัดนะก็โดนคู่ซ้อมซึ่งแข็งแรงกว่านะซัดจนหมอบนะให้ความคิดหรืออารมณ์นี่มันเหมือนกับคู่ซ้อมของสตินะถ้าสติอ่อนเนี่ยก็ต้องอาศัยคู่ซ้อมที่ไม่ใช่ เป็นพวกไวชะกันหรือว่าแข็งแรงมันต้องพอฟัดพอเวียงกันสติถึงจ ะ, จะเจริญพอสตอิมีความแข็งแรง่ร่องไวปราดเปรียวก็พร้อมที่จะเจอคู่ซ้อมที่ เ, เก่งขึ้นเก่งขึ้นได้เรื่องการการปลูกป่าเนี่ยมันยังมีประโยชน์อย่างหนึ่งนะ ก็คือมันเป็นโอกาสให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้จากธรรมชาติได้ธรรมชาติอย่างต้นไม้เนี่ยนะเขาสามารถจะเป็นครูสอนทำให้กับเราได้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะไม่ว่าจะเป็นสิงสารสาัตว์ไม่ว่าจะเป็นลำห้วยลำทานก็สามารถสอนทำให้กับเราได้นอย่าง เมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงธรรมบทที่ว่าสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นสงบจริงๆพระเจ้าก็ตัดต่ออีกสองประโยคนะว่าห้วยน้ําน้อยไหลดังสนั่นห้วยน้ําใหญ่ไหลนิ่งสงบนะอันนี้พระเจา้าท่านก็เป็นนักสังเกตธรรมชาตนะินั่นก็สังเกตว่าเนี่ยนะห้วยน้ําน้อยเนี่ยนะมันไหลดัง ก็เหมือนกับคนที่ไม่มีแก่นสารอะไรนะหรือว่าคนที่ใจเป็นปราซิลเนี่ยนะก็จะอาจจะชอบส่งเสียงโวยวายแต่ถ้าเป็นห่วงน้ำใหญ่เนี่ยไหลนิ่งสงบไม่โชว์ออกนะไม่แสดงตัวก็อาจจะคล้ายกับงูจงอางเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแสดงอำนาจบาดยาเท่าไหร่ไม่เหมือนกับแมงป่องแมงปองที่มันชอบโชว์ อวดอวดหางนะมันชอบอวดหางอวดกล้ามของมันนะเพราะมันไม่มีอะไรไม่ค่อยมีพิษเท่าไหร่อยู่แล้วถ้าเทียบกับงูจงอางเนี่ยจูจงอางไปอย่างช้าๆแต่ว่าน่ากลัวนะธรรมชาติเนี่ยเขาก็สอนทำได้หลายอย่างอย่างหยดหยดน้ำค้างนะ <c oughs> ก็สอนใจเรา เรื่องความไม่จรหลังยั่งยืนของชีวิตได้เวลาพระเจ้าท่านสอนเรื่องความไม่จรหลังของชีวิตพระองค์ก็เปรียบคนเรามืนกับน้ําค้างนะเวลาเราดูน้ําค้างเนี่ยนะมันก็สอนทำให้เราเห็นความไม่จรลังของชีวิตของสังขารได้แต่ถ้าดูดีๆก็อาจจะสอนอะไรเรามากกว่านั้นอย่างมีกวีจีนคนหนึ่งเป็นกวีญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็น นักพรต ด, ด้วยนะชื่ออิสานเขียนกวีสั้นๆนะบอกว่าพุทธธรรมเปล่นประกายจากหยดน้ำค้างบนยอดหญ้าถ้าเขียนคำไม่กี่คำนะแต่ว่าให้ความหมายที่ลึกซึ้งพุทธธรรมในที่นี้มันนีงว่าคำสอนของพุทธเจ้าหรือว่าความจริงนะที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยมันสามารถจะแสดงให้เราเห็นจากหยดน้ำ บนยอดย้าได้ต้นไม้ก็เช่นเดียวกันนะสามารถจะสอนทำให้กับเราได้หลายอย่างทั้งในแง่ที่เป็นศัจธรรมความจริงและทั้งในแง่ที่เป็นคติธรรมที่สอนใจนะอย่างต้นไม้เนี่ยนะไม่ว่าเจอแดดอย่างไรนะเขาก็ไม่ยันนะเขาสามารถจะเปลี่ยนแดดที่ร้อนให้กลายเป็นร่มเงาที่เย็นได้ เวลาเราเอาขยะเอาซากพืชซากสัตว์สิ่งปฏิกูลนะเทลงไปในโคนต้นไม้อุจลาปัสวะนะต้นไม้นี่ไม่บน่นไม่ไวยวายนะแต่ว่าสามารถจะเปลี่ยนสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นเนี่ยให้กลายเป็นของดีได้นะไม่ใช่เปลี่ยนเป็นลำต้นเปลี่ยนเป็นกิ่งเป็นใบเท่านั้นแต่สามารถจะเปลี่ยนเป็นดอกไม้ที่หอมเป็นผลไม้ที่หวานได้ ผลไม้ที่หวานดอกไม้ที่หอมเนี่ยบางทีมันก็มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เทลงไปสูบลงไปนะในบริเวณโคนต้นมาเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นดอกไม้กลายเป็นของดีอันนี้นก็สอนใจเรานะว่าเวลาเราเจอความทุก์เวลาเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจนะเราต้องรู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นของดี เวลาใครตําหนิเรานะเวลาใครตําหนิใครต่อว่าเรานะเราเปลี่ยนคําตําหนินั้นนะให้กลายเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาก็คือมองว่าเออคำตาหนินั้นเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างมันทําให้เราได้เห็นตัวเองถึงแม้ว่ามันจะมีะคําพูดที่เจ็บปวดเสียดแทงแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ถ้าเรารู้จักมอง รู้จักเลือกสรรไอ้คาําตําหนีนี่อาจจะไม่ต่างจากทุเรียนนะทุเรียนเนี่ยหนามันแหลมใช่ไหมแต่ว่าข้างในเนี่ยมันมีเนื้อที่อร่อยคาําตําหนีเนี่ยมันอาจจะกระแทกใจเรานะแต่ว่ามันอาจจะมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักเอาเปลือกออก นะเอาเปลือกที่คมที่แหลมออกเราถึงจะได้กินเนื้อที่อร่อยให้คําวิจารณ์เนี่ยมันก็มีประโยชน์อย่างนี้เหมือนกันถ้าเราเอาถ้อยคําที่ระคายหูออกไปก็อาจจะได้สาระที่เป็นประโยชน์คนที่ก่อตั้งก่อสร้างเมืองโบราณเป็นคนที่รวยมากนะแล้วก็มีเงินนะเป็นสิล้านลอยล้านเขาก็สร้างเมืองโบราณขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของอนุชน แต่ก็เป็นคนรวยที่น่าสนใจนะคุณเล็กพริยพันธ์จะเคยพูดว่าเนี่ยวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอั ป, ปมงคลนะวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลวันไหนถูกตําหนิวันนั้นเป็นมงคลนะเอาคนบางคนเนี่ยถ้าถูกตําหนิจะรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันซวยนะแต่คุณเล็กนี่ก็มองว่าเออถ้าถูกตําหนิเมื่อไหร่นะเป็นมงคลละเพราะว่าทําให้ได้ได้เห็น ข้อบกพร่องกับตัวเองทําให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยยังเป็นมนุษย์ปุถุชนที่มีความผิดพลาดได้นะอันนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีนะหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านผู้วันเนี่ยคนดีเนี่ยเขาไข่ปลาขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไมนะ้คือสามารถจะเปลี่ยนของร้ายของเลวของร้ายให้กลายเป็นของดีไดนะ้เวลาเราเจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยนะ ที่เราเรียกว่าเคราะห์เนี่ยนะเราต้องรู้จักฉลาดในการเปลี่ยนให้กลายเป็นของดีเช่นเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยเอออย่าแทนที่จะทุกกับมันก็มองว่าเนี่ยความเจ็บป่วยนี่มาสอนทําให้กับเราเสอนให้เราได้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารได้มาเตือนใจว่าความทุกข์เนี่ยมันรอเราอยู่ และที่จริงมันอย่างอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะอย่างที่เราสวดตอนเช้านียเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วบางทีเราลืมนะเพราะว่าเรามีความสุขเรามีความความสบายแล้วก็ลืมพวกนี้ไปเรามีความสําเร็จก็ทําให้เราลืมแต่พอเราเริ่มเจ็บป่วยอ๋อมันเตือนเรานะว่าเรานี่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้านะเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้ว นั่นจะประมาทกับชีวิตจะประมาทกับสังขารไม่ได้ถึงแม้ยังหนุ่มยังสาวนะไอ้ความเจ็บป่วยก็มาเตือนให้เราเนี่ยไม่ประมาทนะกับชีวิตอันนี้เรียกว่าเป็นของดีหลายคนเจอเจ็บความเจ็บป่วยหนักๆ น, กนี่เขาได้สติเลยนะแล้วก็ได้ปัญญาด้วยถึงกับพูดว่าขอบคุณขอบคุณมะเร็งนะขอบคุณมะเร็งหรือว่าบางคนพูดก็พูดว่าโชคดีที่เป็นมะเร็ง มีผู้ชายคนหนึ่งนะแกะเป็นคนที่มีเงินมีฐานะแล้วก็เป็นธรรมดามัากจะเป็นก็กลายเป็นคนที่เอาใจตัวเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นคนเครียดวันดีคืนดีปรากฏว่าเส้นเลือดในในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซี่นะจากคนที่เดินเหินไปไหนได้เที่ยวสนุกสนานการเป็นคนที่ทําอะไรไม่ได้แนละไม่สะดวก นะทีแรกก็ทุกข์นะแล้วก็หงุดหงิดลำคาญมากนะครับข้องใจแต่ตอนหลังเนี่ยพอเป็นพอเป็นหลายเดือนเข้านะก็เริ่มได้คิดนะว่าโอ้ไอ้เงินทองที่เรามีนี่มันช่วยอะไรไม่ได้เลยแล้วก็คิดถึงความตายขึ้นมาพอคิดถึงความตายก็รู้เลยว่าไอ้เงินทองที่มีนะมันไม่สามารถจะเราก็ไม่สามารถจะไปได้ เขาก็เริ่มปล่อยวางนะไอความยึดติดในเงินทองก็เริ่มปล่อยวางเพราะรู้ว่าถึงจุดหนึ่งแล้วมันช่วยอะไรไม่ได้เลยตอนหลังเนี่ยเขาก็ไปให้หมอรักษาแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ว่าเวลาหมอจะบอกอะไรเขาก็ทําตามหมอว่าอะไรเนี่ยแต่ก่อนตอนที่เขาปกติเนี่ยนะเขาก็เถียงเขาก็จะคอยแย่งตลอดเวลา แต่พอเจ็บป่วยแล้วเนี่ยมันไม่มีทางเลือกแล้วหมอว่าอะไรก็ทําตามที่หมอสั่งโดยที่ใจนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่ามันจะหายหรือไม่หายคือเริ่มเรียนรู้การปล่อยวางนะพอรู้ว่าถ้ายึดไปแล้วเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้ยิ่งยึดติดก็ยิ่งเป็นทุกข์ไม่ว่าจะยึดติดในทรัพสมบัติหรือว่ายึดติดในทิฐิความเห็นของตัวแม้กระทั่งยึดติดว่าต้องหายต้องหายเนี่ยก็ยึดไม่ได้ยึดเมื่อไหร่เป็นทุกข์มื่นั้น เขากลายเป็นคนว่านอนสอนง่ายขึ้นมาแล้วก็มีชีวิต อ, อยู่กับปัจจุบันนะหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรบอกว่าเกิดหายขึ้นมานะเพราะว่าเขาทําใจสบายๆทํำใจแบบปล่อยวางอามาพลึกที่เคยเป็นก็หายไปเขาก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ก็เกือบร้อยเปซและพวกวันนี้สายใจคอเขาก็เปลี่ยนนะกลายเป็นคนที่ไม่เอาใจตัวเป็นคนที่ไม่ไม่อีจโก้จัดนะ กเป็นคนที่ผ่อนคลายแล้วก็นิสหายก็เริ่มก็แปลกใจนะว่าเปลี่ยนไปได้อย่างไรอันนี้เขาก็ยอมรับเปลี่ยนไปเพราะวาความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยมาสอนให้เข า, าปล่อยวางมากขึ้นแล้วก็ทำตัวให้เป็นคนที่น่ารักมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นอันนี้ว่าอันนี้ก็ เป็นตัวอย่างคนที่รู้จักเปลี่ยนทุกข์นะให้กลายเป็นสุขหรือว่าเกิดปัญญาขึ้นจากความทุกข์นะ ต, ต้นไม้นี่มันเก่งมากในเรื่องนี้นะไม่ว่าเราจะทิ้งขยะอะไรลงไปก็สามารถจะเปลี่ยนสิ่งที่เน่าเหม็นให้กลายเป็นของดีของหอมของหวานได้ดอกบัวนี่ก็เหมือนกันนะบัวเนี่ยเป็นตัวอย่างมันเกิดจากโคลนตมนะแต่ว่า สามารถที่จะโผล้นโครนตรมแล้วก็เบ่งบานเป็นดอกที่สวยงามอท่านติณนานท่านพูดไปดีนะท่านบอกว่าถ้าไม่มีโครนก็ไม่มีดอกบัวถ้าไม่มีโครนตรมก็ไม่มีดอกบัวโครนตรมในที่นี้หมายถึงอะไรโครนตุ่มนี้ที่หมายถึงความทุกข์ความลําบากดอกบัวในที่นี้หมายถึงพุทธะนะ ความตื่นรู้เพราะว่าในพุทธศาสนาเนี่ยดอกบัวเนี่ยเป็นเป็นเครื่องหมายของความตื่นรู้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเนี่พระพุทธเจ้ากับดอกบัวนี่เป็นของคู่กันเพราะว่าดอกบัวเนี่ยนะไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวนะแต่ว่าเวลาเวลามีฝนเทลงมาทั้งดอกบัวทั้งใบบัวนี่นะไม่ แดเปื้อนเลยนะน้ำตกลงมาแค่ไหนใบบัวนี่ก็ไม่รับเอาไว้นะก็เหมือนกับจิตที่ถ้าว่าจิตที่ได้รับการฝึกฝนดีแล้วจิตที่มีปัญญากิเลสมันก็มาครอบงำไม่ได้กิเลสไม่สามารถจะทำให้จิตนี้แปดเปื้อนได้นะใบบัวก็มีคุณลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันแม้ว่าบางครั้งเนี่ย นะอาจจะมีน้ํามันเกาะหรือว่ารวมอยู่ตรงกลางใบบัวนะใบบัวนี่มันเป็นมันเป็นหลุมนะตรงกลางเนี่ยมันเป็นเป็นร่องเป็นหลุมแต่ว่าน้ำเนี่ยเก็บไม่ได้นานหรอกนะพอมีหยดน้ําเยอะขึ้นใบบัวก็โอนเองนะพอโอนเองสักพักน้ําก็เทไหลออกมาหมดนะเรียกว่าไม่ไม่มีทางที่จะยึดหรือว่าเกาะเอาไว้ได้เลยนั่นถ้ากเปลี่ยนมันก็จิตที่ มีความตื่นรู้นะกิเลส ก, ก็คล่อบงำไม่ได้แล้วก็ความทุกข์ก็ไม่สามารถจ ะ, จะฉาบติดไดนะ้เพราะว่าไม่ยึดเอาไว้เหมือนกับดใบบัวที่ไม่ยึดน้ําเอาไว้เลยทั้งหมดเนี้เกิดขึ้นจากโคลนตมนะไม่มีโคลนตมก็ไม่มีใบบัวไม่มีดอกบัวนะคนเราจะตื่นรู้นะ จะมีปัญญาได้ก็เพราะต้องเจอความทุกขนะ์ถ้าไม่เจอความทุกข์แล้วเนี่ยปัญญาไม่เกิดเอ็นถ้าเกิดว่าเราได้เปิดใจศึกษาธรรมชาติเนี่ยเราจะพบครูที่ยิ่งใหญ่มากนะมีอยู่รอบตัวเราในป่านี้นะไม่ว่าต้นไม้นะไม่ว่าใบบัวไม่ว่าแมลงผีเสือนะ้อ อย่างผีเสื้อนี่ก็เหมือนกันนะพระเจ้าเคยเปรียบเคยสอนพระว่าแม้พระจะต้องพึ่งญาติโยมนะแต่ก็อย่าทําให้ญาติโยมลําบากแล้วพระองค์ก็เปรียบเหมือนกับอุประมาวประไมยกับผีเสื้อในผีเสื้อนี่มันต้องพึ่งต้องพึ่งดอกไม้นะผีเสื้อนี่ต้องคอยดูดน้ําหวานจากดอกไม้แต่ผีเสื้อก็ไม่เคยทําให้ดอกไม้นี่ช้าหรือเสียสีเลย ผีเสื้อเนี่ยเก็บน้ำหวานจากดอกไม้ด้วยอาการที่อ่อนโยนแผ่วเบาแล้วก็สุภาพนะอันนี้ก็เป็นไม่ใช่ข้อคิดเฉพาะสำหรับพระนะในการในการพึ่งพาญาติโยมโดยที่ไม่รบกวนแต่ที่จริงยังเป็นการสอนพวกเราทั้งหมดได้ว่าเราต้องพึ่งพาธรรมชาติแต่ว่าจะพึ่งพายอย่างไรนะ ไม่ว่าจะพึ่งพาอย่างไรก็ไม่ควรทําให้ธรรมชาติเนี่ยเศร้าหมองหรือถูกทําลายแต่ตอนนี้มันตรงข้ามนะเราพึ่งพาธรรมชาติแทนที่จะสมนึกในบุญคุณเรากับทําลายธรรมชาติแล้วก็กับคิดว่าเราเป็นนายเหนือธรรมชาตินะมันตลปัดลนะแทนที่ธรรมชาติเนี่ยจะเป็นจะเป็นเสมือนแม่นะที่คอยหล่อเลี้ยงเรานะอันนี้เป็นคติความเชื่อของคนโบราณ น, นะว่าธรรมชาตินี่เป็นเหมือนแม่ แม่ธรณีแม่คงคาแม่โพศแม่ทั้งนั้นธรรมชาติเป็นเสมือนแม่แเดือนนี้เราคิดว่าเราเป็นนายเหนือธรรมชาติแล้วเราก็ทําลายธรรมชาติอันนีเน้เป็นเรื่องที่พราะเราเนี่ยไม่ได้เรียนรู้จากธรรมชาติไอความรู้ที่เรามีโดยข้อความรู้ทางวิทยาศาสตร์บางทีก็ทําให้เราหลงตัวลืมตนได้ง่าย เราเชื่อตำรามากกว่าการเปิดใจเลยรู้จักธรรมชาติดันะการที่เรามาสัมผัสกับธรรมชาติบ้างเนี่ยนะถ้าเราเปิดใจสักหน่อยนะเราก็จะพบว่าธรรมชาติสอนทำเราได้เยอะหนะลวงปู่มั่นถึงกับบอกนะบอกสมเด็จพระราชาคณะท่านหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปลานวันท่านผู้วันเนี่ยถึงแม้ท่านไม่ได้เรียนสูงนะแต่ท่านก็รู้ทำเพราะอะไรเพราะว่า ธรรมะบอกว่าธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าสาหรับผู้มีปัญญาธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าสำหรับผู้มีปัญญามองไปรอบตัวนะเห็นป่าเห็นต้นไม้เห็นลำาุ้ยเมื่อไหรนั่นแหละสอนธรรมะได้ทั้งนั้นนะแม้กระทั่งลำไผ่ก็สอนเรื่องอนัตตาได้ลาไผ่นี่ต้นไผ่นี่ดูมัน ดูมันทึบตันนะแต่ข้างในกลวงนะว่างเปล่าก็เหมือนกับสังขารทั้งหลายนะซึ่งดูเหมือนถึงแม้มันจะทึบตันแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันว่างเปล่าจากตัวตนรถยนต์เออยเสาเออยบ้านเออยเนี่ยมันทึบตันอวุชชนก็แตกนะแต่ว่าแท้จริงแล้วมันว่างเปล่าจากตัวตนนะมันไม่มีตัวตนของมันเองมันต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นๆที่มาประกอบกันรถยนต์ถ้าเอาอะไรต่างๆเอาชิ้นส่วนต่างๆออก จนหมดก็ไม่เหลือรถยนต์เลยไม่เหลือความเป็นรถยนต์อยู่เลยไอ้ความเป็นรถยนต์เกิดขึ้นได้จากการที่อะไหล่ต่างๆชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันแล้วเราก็เรียกว่ารถยนต์ไอ้สิ่งที่เรียกว่ารถยนต์แท้จริงนะมันเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งเล็กๆน้อยๆมาประกอบกันเอาสิ่งเล็กน้อยออกไปเอาเอาสิ่งที่ไม่ใช่รถยนต์ออกไปความเป็นรถยนต์ก็ไม่เหลือเลยอันนี้คือเรียกว่าว่างเปล่าจบตัวตนเช่นเดียวกับสังขารร่างกายของเรา งั้นถ้าเราเรีออยนจากธรรมชาตินะด้วยความอนุมทนตนเปิดใจรับรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันขณะที่ปรากฏต่อเบื้องหน้าเลยอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเขาหรือว่าสิ่งที่ปรากฏต่อเบื้องหน้าเราเนี่ยที่เราปัจจุบันธรรมเนี่ยนะเขาสามารถที่จะสอนทำให้แก่เราได้ถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันด้วยและธรรมชาติก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สอนเราได้มาก งัถ้ามาปลูกป่าแล้วเนี่ยก็อยา่าเพียงปลูกป่าอย่างเท่านั้นนะแต่ว่าเรียนจากธรรมชาติเรียนจากป่าด้วยเราก็จะได้อานิสงส์มากมายเอาคำนี้ก็พูดกันเท่านี้เอากรับครับ